จะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามคนเราพูดกันรู้เรื่องไม่เหมือนสัตว์สัตว์ก็เป็นติดเพียงร้องเพียงค้างหรือแสดงอาการเป็นความทุกข์ให้เราเห็นแต่มนุษย์นี้แสดงออกมาทางวาจาทาง ร, าริยามาญาติแล้วยังออกมาทางวาจาเป็นความบุญถึงเรื่องความทุกข์ความร้อนต่างๆนะสี่การงานการได้การเสียการเจ็บไข้ได้ป่วย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 เพื่อจะต่อต้านอะไรๆ ต, ต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีและจะยังผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นในสิ่งที่ดีงานทั้งหลายด้วยการประพฤติปฏิบัติชอบออกจา ก, กจิตใจที่เด้รัอบรนด้วยดีแล้วผิตที่ไม่เคยได้รับการอบรมทำเลยไม่ทราบวิสีน ท, ทำเป็นอย่างไรเลยกับกจิตที่พอรับทราบบ้างนั้นเราก็พอได้พอทราบได้ชัดเจนภายในจิตของเรามาเป็นลําดับลำดับ แม้แต่การฝึกผลอบรมด้วยสมาธิภาวนาทำแรกๆ ก, ก็รู้สึกว่าฝืดเครืองตะเกียกตะกายวุ่นไปหมดเหมือนกับจะเข้าตะแลงแกงคือถูกคิดถูกเขาเอาไปข้านันเองเพอเห็นผลยังไม่เคยปรากฏหากเป็นความพอใจอยู่บ้างก็พอพักพอหย่อนกันไป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 ที่จะให้เกิดความอุตส่าห์พยายามไปโดยลําดับหลวงเคยเล่าให้ฟังในการพกหัดเบื้องต้นซึ่งเป็นไปโดยความเชื่อความมุ่งสายอยากทาเวลาถามหัวหน้าวัดท่นานพ็อบอกให้ภาวนาพุทโธแล้วนยผมก็ภาวนาพุทโธอ๋อไปพเอาพุทโธภาวนาหรอไภาวนาภาวนาก็ไม่ทราบว่าผลจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างก็ทำไปงูปลาไปนั่น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 อาการของจิตที่แสดงอาการรวมตัวเข้ามานั้นกลายเป็นจุดสนใจของเรามากขึ้นทำให้สติก็จดจอ่อความตั้งใจก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนตากฏว่าจิตี่สงบเงียบลงไปเลยตอนนั้นขาดหมบทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความอัจรรย์ขึ้นมาภายในใจแล้วเกิดความตื่นเต้นไม่นานจิตถอนขึ้นมาเสียเสียดยโอ้โหเป็นอย่างนี้เองนั่นแหละ เป็นเชื้อสำคัญให้เกิดความมุสาพยายามไม่ว่าจะเรียนหนังสือมากน้อยเพียงไร ล, ลำบากลำบนขนาดไหนการภาวนาจริงไม่เค ย, เยต้องละปล่อยเวลาไว้สังหวนเวลาไว้สำหรับทำภาวนาแต่ก็ไม่ค่อยได้เต็มไม่เต็มหน่อยนานๆตั้งแต่เรียนหนังสือมาจนกระทั่งได้ออกปฏิบัติที่จิตสงบได้อย่างนั้นเพียงสามครั้งเท่านั้น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 จะพยายามเอาให้ได้นั่นแหละที่ทําไม่หยุดกลางวันก็ทํากลางคืนก็ทําทุกียาบทไม่ลดละก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบเช่น น, นั้นเมื่อปรากฏเป็นความสงบเช่นนั้นขึ้นมาแล้วก็ทําให้นานไปโดยลําดับสงบได้นานและไม่ตื่นเต้นที่นี่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 นอกจากจะเป็นความสุขความสบายในขณะที่สงบแล้วยังเป็นการสร้างฐานแห่งความมั่นค ง, งของจิตขึ้นได้โดยลําดับอีกเช่นเดียวกันจนกระทั่งตากฏเป็นความแน่นหนามั่นค ง, งขึ้นภายในใจทั้งๆ ท, ท, ที่จิตไม่ได้รวมก็ตามเมื่อกําหนดดูความรู้ของต้นเมื่อไหรก็ทราบชัดว่าความรู้นั้นเด่น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 เพราะทําอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนก็ยิ่งเป็นการสร้างฐานให้มีความแม่นหนามั่นคงขึ้นโดยลําดับจนกระทั่งดูที่ไหนก็มีความมั่นคงอยูายใจิตใจมี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิเป็นเป็นอย่างนี้ความสงบเป็นอย่างหนึง่งจิตที่เป็นสมาธิดูตามฐานของตนนั้นเป็นอีกอย่างเวลาเราพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อจิตมีความอิ่มตัวอยูด่ด้วยความสงบ จิตย่อบไม่มีความหิหวโหวยระวนกระวายกับอารมณ์ต่างๆตารธรมรมดาของจิตที่มีความสงบนั้นมีแต่ความหิวโหวยทั้งนั้นคิดนั่นปรุงนี้อยู่เรื่อยๆจะพิจารณาอะไรก็ไม่ได้เหตุดได้ผลไม่ได้หลักได้เกณเพราะหยักหยิ บ, ห ย, บหยิบนั่นวางนี้ปล่อยนั่นไปจับจดไปหมดท่านยังสอนให้มีจิตมีความสงบเวลาสงบมันก็สงบจนเกินไปสงบมันจะจน เราจะให้สงบสักกี่ชั่วโมองก็อยู่อย่างนั้นเป็นความสมายเลยกลายเป็นสมาธิขี้เกียจจนกระทั่งได้ถูกครูบาอาจารย์ท่านดุด่าว่าเก่าถือลากออกมาจากสมาธิใค้นทางด้านปัญดาจึงได้ใช้นี่พอเริ่มใช้ปัญดาก็เพราะว่าจิตนี้มีความสงบตัวอยู่แล้วมันก็ง่าย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 จากจิตดวงเดียวนี้มักได้แก่สมาธิปัญญาก็ดําเนินงานไปเรื่อยๆทําจิตให้สงบลงไปเรื่อยๆแล้วปัญญาก็สอนสองดูธาตุดูขันดูของเรื่องของทุกเรื่องของสุลเทฐานดูเรื่องอนิจจงทุกขังอัตตาซึ่งมีอยู่รอบตัวโดยลําดับธรรดาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนกระทั่งมีความทํทานิชานานความทํา น, นาญภาณจิตนี้ ซึ่งเป็นความจริงแล้วไม่ได้เหมือนความจำทีแรกก็พิจารณายากลาบากเราจะคลี่คลายอะไรอวัยวะแต่ละส่วนนัส่วนออกไปให้กระจายตัวไปอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเชื่องช้าแต่พอสติปัญญามีความสามารถแล้วมันพิจารณาได้อย่างรวดเร็วกำหนดอวัยวะส่วนใดนี่มันกระจายไปหมดทั่วร่างกายซ่านไปไปหมดเหมือนกับกระดาษซึ่งเห็จิตก็คือ อันนี้เป็นอารมณ์จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ถืออารมณ์แห่งวิปัสสนาพิจารณาอย่นี้เป็นลำหนักลำหนักจนมีความสามารถเต็มที่แล้วก็ปล่อยวางไปเป็นขั้นขั้นขั้นั้นนี่ท่านเรียกว่าปัญญามีความแหลมคมกว่าสมาธิสมาธิเป็นแต่เพียงความสงบปัญญาเป็นความคล่องแคล่ว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 ที่ตนมุ่งหวังอยากให้เข้าใจนั้นเข้าใจไปโดยลําดับแบบมีเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยู่ที่ไหนจึงมีแต่ความภาคเพลียนตลอดเวลานอกจากหลับแค่เท่านั้นพอตื่นขึ้นมาก็ประกอบความภาคเพลียนโดยทางสติปัญญาเรื่องธาตุขันนี่สำคัญมากที่แล้วมันก็พิจารณากระจายไปทั่วโลกประธาเรื่องอนิจจพิจารณาไปหมดไม่ว่าลูกสัตว์ูกบุคคลไม่ว่าต้นไม้ภูเขาเป็นสิ่งที่กระ มีความแกรสภาพมเหมือนกันหมดจะยึดอะไรเป็นเราเป็นของเราอันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นของเรามันยึดไม่ได้มันไม่เป็นที่ไว้ใจทั้งนั้นเพราะกองแห่งใจรักอันนี้จังทุกข์ของหน้าตามันเต็มตัวของเขาอยู่แล้วสราบชัดมันก็ไม่กังวลประการหนึ่งก็คือความเห็นเขา้าเป็นความเห็นชัดในสิ่งแนี้แล้ด้วยปัญญาอย่างชาัดเจนประการแรกแร ก, ก็คือกิจอินตัวด้วยสมาธิไม่ค่อยไปกังวล ทีนี้ก็คลี่คลายสิ่งที่เราจะมางไ่พิจารณาออกด้วยปัญญาเมื่อเห็นธัตุแล้วกับมันต่อยที่นี่ต่อยหลังที่เคยอธิบายแล้วต่อยเข้ามาเป็นลำนํำดับลำดับเห็นธัดเท่าไรก็ปล่อยเข้ามาที่แรกก็กว้างปัญญานี่วิ่งทั่วโลกธาตุเลยเหมือนกับว่าโลกธาตุวันไปหมดเนะ่ยเพราะติีปัญญามันวิ่งไปถึงกันหมดหูเสียงกลิ่นรสเสื้อสัมผัส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 เที่ยวหลายตลกเข้าไปมันก็ค่อยแจ่มแจ้งเข้าไปแจ่มแจ้งเข้าไปถึงรากถึงฐานมันต่อยของมันเองฮะลองลูกก็ดูมันอยูนั่นน่ะทั้งวันทั้งคืนเอาเป็นสนามท้องที่ท่องเที่ยวเป็นทําเลท้ที่่องเที่ยวกรรมฐาน่งเที่ยวกรรมฐานกับกรรมฐานได้เยอดที่ไหนที่สำคัญก็คือเจสาโรมานะขาทันตาตะโจแต่ส่วนร่างกายของเราทุกส่วนเที่ยวกรรมฐานในตรงนี้ด้วยจระจิตคือจระคือการต้องเที่ยวของจิตพิจารณามัน เห็นถ้าตามความจริงทั้งภายนอกภายในส่วนร่างกายของเราทุกสัตว์ทุกส่วนวันนี้ก็พิจารณาคราวหน้าก็พิจารณาข้าวไหนก็พิจาราพิจารณาหลายครั้งแ ล, ล้วหนุนมาักซึมซาเข้าไปเซึมซาเขาไปเ อ, เ ข, ป เ, อเข้าใจชัดเนี่ยพะเข้าใจชัดแล้วไม่ต้องบอกมันก็ปล่อยคล้องมันยอย่างเวทนามันก็เกิดอยู่กับค่ากับใจมันไม่เกิดอยู่ที่ไหนนี่กษัตริยธรรมทุกขังอริยสัจจังท่านบอกแล้วชัดๆว่า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 แย่งเอาของฟองเข้ามาแทะพระนจิตจีก็เลยการไปจิตกรจิตลุ่มหลงครผลว่ามันจึงเกิดจากความเดือดร้อนอาการพิจารณาก็คือว่าให้ปลอยคืนตามของเดิมของเขาอืไม่ฝืนความจริงอันดั้งเดิมะดูปังอนิจจ์รูปังอนัตตานี่เป็นของดั้งเดิมดูปังทุกขังเป็นของดั้งเดิมให้พยายามพิจารณาให้เห็นชัดปลอยลงตามความเดิมของเขาเนีย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 ถึงหลักความจริงแล้วทางเดินมันมีอยู่เรื่อยเหมือนกับแบบเชื้อมีที่ไหนไฟจะไหม้ไปโดยลาดับลาดับเชื้อแห่งกิเลสอันสลายที่ไห น, นปัญญาเหมือนกับไฟเป็นเครื่องแผดเผาเกิเลสจะซึมซาบไปตามลาดับำํำดัะเช่นพิจารณารู้เรื่องภายนอกเสร็จหมดแล้วก็หมดเชื้อไฟปัญญาไม่ออกไม่ไปนสนใจอา้าวยังมีตรงไหนติดข้ อ, ของตรงไหน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 เพราะกิเลสอาสวะมันรวมตัวอยู่ที่จุดมันมันเป็นเครื่องบอกมันเองมันสืบต่อกันไปเรืยจนกระทั่งหมดเชื้อแห่งอาสวะแล้วไฟก็ไม่ลุกลามไปปัญญาก็หมดปัญหาสึ้นภาระที่จะต้องพิจิพิจารณาเพื่อแก้อะไรอีกมว่มันเข้าถึงจุดสำคัญ ธรรมอวิชชาปัจญาสร้างคาราสร้างคาราปัจญาวิญญาณังว่าเป็นแถวเป็นแนวไปตัวอวิชชาจริงๆคืออะไรไม่รู้สิเวลาจะรู้ก็รู้ตามหลักธรรมชาติทีพิจารณาเข้ามาเข้ามาดเดนเข้ามาต่อยเข้ามาซื้อตอนเข้ามาทางสติปัญญาปัญญาขั้นนี้จะละเอียดละออสุขขุมมากทีเดียวมันเหมือนกับน้าทับน้ําซุมไหลลินอยู่ทั้งแรงทั้งฝนไม่มีหยุดมียัง้ง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 อย่างชางเข้าไปแล้วขาดทะลุไปหมดเนี่ยตปธรรมแพดเผากิเลสภาณในจิตใจหมดเปี้ยงไม่มีอะไรเหลื อ, ห, ลอหรออห่สิ่งที่เหลือก็คือวิมุตติธรรมความหลุดพ้นแห่งใจพ้นจากสิ่งที่บกติดจำบังทั้งหลายตั้งแต่โ้นดาบจนกระทั่งถึ ง, ถงขั้นละเอียดสุดที่เรียกว่าอวิชชาสิ้นซาไปหมดภาณในจิตใจนั่นแหล ค, คือความท้นทุกข์ ที่ท่านมาปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกพ้นกันที่ทุกนี้อยู่แต่ก่อนนั่นแหละแก้ทุกได้ด้วยสติปัญญาแล้วพ้นกันที่นั่นข้ามโลกข้ามทั้งสารข้ามกันที่ตรงนั้นไม่ได้โดดข้ามนน่นข้ามนี่เหมือนเขาข้ามน้ําข้ามทะเลที่ไหนกันมันข้ามตรงนั้นเองแต่ท่านแยกเป็นสมมติออกกันว่าข้ามข้ามความจริงก็สลัดภัยที่เป็นอยู่ายในจิตใจตนออกหมดเชื้อแห่งภัยมี อยู่มากน้อยถึงรายภายในจิตใจสลัดออกหมดด้วยสติปัญญาแผดเผากันให้เครี้ยงไม่มีอะไรเหลือนั่นท่านแบบความพ้นทุกข์หรือว่าท่านตรัสรูก้ก็ดีบรรลุธรรมก็ดีบรรบลุถึงความบริสุทธิ์นั่นเองส่วนสมมุติท่านก็ว่าไปนี่ลหละหลักธรรมชาติจริงๆเป็นอย่างนี้รู้ทีนี้แล้วปัญหาทั้งมวลที่มีอยู่ในโลกกว้างแค่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 เช่นความชนะเสือก็แล้วความนินทาก็แล้วเพราะอันนี้เป็นอาการแห่งสมมติทั้งหมดจิตนั้นเป็นผู้พอตัวแล้วในคําว่าดีและชั่วทั้งหลายท่านให้นามผู้ที่ถึงความพ้นทุกข์แล้วนั้นว่าปุญญาปุญยะปาปะพหิระบุคคลคือเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้วหรับบุญก็คือความสุขที่เป็นฝ่ายสมมติที่แรกก็อาศัยบุญกุศลที่เราสร้างไปในทางสมมตินี้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 ค ำ, คำว่าบากคือความเศร้ามองคือความทุกที่เกิดขึ้นพรนาะอำนาจของกิเลสกิเลสสิ้นไปแล้วบากก็สิ้นไปความสมองก็สิ้นไปสิ่งที่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายสิ้นไปนั่นแหลคือธรรมชาติล้นล้วนและจากความปุกอันบริสุทธิ์ล้นล้วนนั่นเป็นจุดหมายปรายทางแห่งผู้ปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อถึงความพ้นทุกข์แล้วความหวังทั้งหลายก็หมดไปความอิ่มพอมีเต็มหัวใจ อินพอยตลอดเวลาอาการลิโกทำที่กล่าวนี้เป็นมาจากโน้นแหละจากล้มลุกคานจากความตะเกียบอากาศความอุตสาห์พยายามนี่เป็นพื้นฐานเป็นเครื่องสนับสนุนมาโดยลําดับลําดับจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์ได้ท่านว่าความพ้นทุกข์ไปได้เพราะความเพียรนะคือเพียรไม่หยุดไม่ถอยเพียร ปลดเปื้องตนเองโดยลำดับลำดับอย่างที่เราเพียนสร้างบุญสร้างกุศล ส, สร้างบุญร้ากุศล น, นี้คาําว่าจิตบริสุทธิ์แล้วนั้นบุญกุศลอันนี้จะให้ผลหรือให้ผลตลอดมาอย่างพระพุทธเจ้าเช่นไปที่ฐานที่ใดมีแต่คนเคารพ บ, บูชาสักการะด้วยเครื่องมัตตุเครานต่างๆเป็นพร้ อ, าอําน้าแห่งกุศลที่องค์ ส, สร้างมาทั้งนั้นแล้วบางประชาชนมีจานวนมาก ก็ได้พูดว่าการที่พระองค์ท่านไปไหนมีคนเคารพ บ, บูชาตลอดถึงเทวบุตรเทวดาไม่โอนอยากขาดแคลนขาดแคลนเดือดดาษไปด้วยวัตถุที่สรางสรรงนั้นเป็นเพราะพร ะ, พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ยังทรงตรัสปฏิเสธไม่ใช่เป็นเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าท่องหลา่า สิ่งทั้งหลายที่ประชาชนนำมาสักการ บ, บูชาถาวายเป็นปัจจัยทยงานมากน้อยนี้เกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งกุศลของเราที่สร้างมาต่างหากแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าก็ยังเกิดขึ้นมาจากกุศลของเราที่สร้างมาไม่ใช่ว่าสิ่งเหนี้จะเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าของเราหาไม่ถนัดนั่นนะบรรดาภาษาวราทั้งหลาย ที่ได้บรรลุรมแล้วก็ยังต้องมีเอตตะค่าต่างๆกันนั่นก็เพราะอำนาจแห่งกุศลทิฏฐ า, านท่านที่จะสร้างมามากน้อยต่างกันเช่นอย่างข้าศิวลีเป็นต้นตายไหนมีแต่คนเคารพนับถือบูชาสตุปปจาชยทานนี้เกืกอนไปหมดท่านไปที่ไหนไม่มีความอุญาตขาดแคลนะสาวกทั้งหลายที่เป็นพระทานเหมือนท่านแต่เรื่องอติเรากานาคไม่มีองค์ไหนเปรอเหมือนเว้นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่า น, านั้นต้องมีภาษาวาลีเป็นที่หนึ่ง จังหวัดตามสนองท่านอย่างนั้นตลอดไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือสลายขันขันสลายไปแล้วเป็นอันมามดที่จะต้องพึ่งพิงอิงอาศัยในบุญกุศลที่เป็นส่วนสมมตินี้และจะคำเบิกจุดวนแล้วหมดปัญหาเมื่อยังไม่หมดท่าขันเมื่ อ, อไหรแล้วบุญกุศลต้องตามสนับสนุสนไปจ น, น, นได้ตลอดอภิษฐาน ่ารแสดงก็เห็นว่าขึ้นปวดนำมาวิจารมาเอาละเปลีกยน